ทีนี้ต่อไปศีลนี่จัดว่ามีสองอย่างโดยเกี่ยวกับจารีตศีลและวารีตศีลคําว่าจารีตศีลนี่คืออะไรคือศีลที่เป็นเหตุให้ประพฤติเนี่ยนะหรือว่าศีลที่เข้าถึงความเป็นผู้ทําต้องทําขึ้นจึงจะเป็นศีลถ้าไม่ทําไม่เป็นศีล น, นะจารีตเนี่ยจารีตประเพณีใช่ไหมจารีตประเพณีคือสิ่งที่ต้องทอําอ่ะถึงเวลาแล้วที่จะต้องประพฤติจารีตอันนี้เข้าะนะถ้าแบบแบบโลกๆนะ แต่ น, นี้ก็คือศีลที่เป็นจารีตหมายความว่าศีลอันนี้ต้องปฏิบัติเอาน ะ, ะยกตัวอย่างนะพ่อแม่เนี่ยจารีตของลูกคืออะไรจารีตที่ดีของลูกคืออะไรพ่อแม่การเลี้ยงดูพ่อแม่นั่นเองนะจรีตก็คือการที่เข้าไปบำรุงพ่อแม่นี่คือจารีตของลูกที่ลูกจะต้องประพฤติถ้าหากว่าไม่ประพฤติมีโทษอัน น, นอันนี้เป็นลักษณะของจรีตศีลจะเป็นแบบนั้นส่วนว่าฤทธศีลอย่าฆ่าสัตว์นะ อย่าไปลักขโมยนะอ่าพวกนี้เป็นวารีต้องเว้นเอาเนี่ยนะเว้นจากการฆ่าแต่ก็เข้าไปบำรุงบางอย่างเว้นจากบางอย่างแล้วก็ทำบางอย่างถ้าหากว่าเว้นหมดเลยไม่ทำอะไรเลยมีโทษอ่ะมีโทษเนี่ยนะเอะาเช่นพ่อแม่ป่วยไม่ดูแลอะไ ร, ะไรสักอย่างทำตาปริบปริบปรบนั่งเฉยแต่ถ้ายัางงี้มีโทษนน่ะนะ เป็นต้นน่นนะเช่นถ้เป็นพระหนุ่มเนน้อยไม่ประพฤติวัดปฏิบัติตื่นมาเอออาจารย์ก็าอาจารย์หี่เราก็เราคนละเรื่องกันยังไงถ้าเป็นลักษณะนี้ก็อันนี้ผิดผิดศีลแล้วนะคือคือบอกว่าเรื่องนี้เป็นกิจที่ต้องเข้าไปทําเมื่อไม่เอือ้อเฟื้อผิดวินัยทันทีเลยอันไนะอยากสราบมานานแล้วครว่าศีกนี้จะทํากายใจไงบ้างคระบิระเทวีครับสมมติว่าเข้าไปถือนิสัยเนีย่ยจะต้องไงบ้งครับปฏิบัติยังไงบ้างครับ ลงยกตัวอย่างใหญ่ๆสักสองสามตัอย่างจพราก็คือถ้าธรรมดาของผู้ที่จะถือนิสัยเนี่ยคือธรรมดาของพระที่บวชเข้ามาใหม่ต้องถืออุ ป, ปอที่เป็นจารีตนะปกติก็ต้องอยู่กับอุปชาแต่ทีนี้ถ้าไม่ได้อยู่กับอุปชาก็ต้องอยู่กับอาจารย์ถ้าหากว่าไม่ถือนิสัยปล่อยราตรีให้ผ่านไปเป็นอบัตทุกวันเว้นไว้แต่ระหว่างเดินทาง มีข้อเว้นอยู่บางบางอย่างเท่านั้นเองเช่นระหว่างเดินทางเนี่ยไม่ถือก็ได้ถ้าถือถ้าไม่ถือนิสัยเป็นทุกวันเลยสมมุติถ้าวันนี้ไม่ไม่ได้ถือนิสัยนะวันนี้เป็นอบัตหนึ่งตัวพรุ่งนี้เป็นอีกเป็น2ตัวแล้วนะเพราะว่าเป็นโทษฐานที่ไม่ไม่ไม่ทำคืนอีกตวงนะมันก็จะบวกขึ้นบวกขึ้นบวกขึ้นบวกขึ้นลักษณะนี้ถ้าไม่ได้อยู่ปีหนึ่งก็เป็นทั้งปีแล้วก็ทุกวันทุกทุกคืนเนี่ยจะบวกบวกอบัตเพิ่มไป ทีนี้คําว่าถือนิสัยก็คือเขาบอกว่าเข้าไปพักพิงอ่ะนะเข้าไปพักพิงอ่ะคล้ายๆกับว่าในคัมภี์ท่านกล่าวถึงลูกศิษย์ที่ไม่มีครูอาจารย์แนะนําอ่ะกิริยามารยาทไปตามโรงชั้นเช่นไม่ควรขอกขอ็ขอไม่ควรเอ่ยปากก็เอ่ยปากกิริยาอาการไม่สํารวมจะลุกจะเดินจะเหินไม่เรียบร้อยอะไรสักอย่างเนี่ยนะซึ่งจะต้องมีคนดูแลทีนี้ การดูแลก็ต้องไปขอนิสัยนิสัยเนี่ยแปลว่าเป็นที่อาศัย น, นะไปขอให้อาจารย์เนี่ยเป็นที่อาศัยทีนี้ว่าคําว่าขอนิสัยก็คือเข้าไปถึงก็ถ้าชั้นต้นเลยให้ไปดูสักสองสามวันก่อนวินัยอนุ ญ, ญาตให้ดูอะสองสาวันนี้อัธยาศัยเข้ากันได้ไหมท่านเป็นผู้มีศีลมีธรรมดีไหม น, นะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณสมบัติใช่ได้หมดก็เข้าไปกระโยงอันนะั แล้วก็ทําความเคารพท่านเหมือนกับพ่อเลยนะตั้งใจว่าจะเอาเป็นพ่อเลยว Beck ่างั้นเถอะเสร็จแล้วก็อาจารย์ที่จะเป็นอาจารย์ก็คิดว่าเขาก็เป็นเหมือนลูกเป็นภาระของเราเลยเป็นภาระของเราเสร็จแล้วก็ขอนิสัยว่าอันนะท่านผู้เจริญเนี่ยนะข้าพเจ้ขาขออันะขออาศัยกับท่านนะขอให้ท่านเป็นอาจารย์ของกับผมกับผมจะอาศัยท่านอยู่นะแล้วก็ขอนิสัยอย่างไงขอให้ท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าว่างั้นเถอะข้าพเจ้าขออาศัยท่านอยู่ อาจารย์ก็จะบอกเออจงเบาใจจงสบายใจได้เสร็จหลังจากนั้นมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่เท่ามืดเลยถวายน้ําล้างหน้าถวายแปลงสีฟันเนี่ยนะเสร็จแล้วตั้งนับก่อนไปบินทบาตนะถ้าไปบินทบาทสายเดียวกับอาจารย์ก็ต้องเตรียมเรื่องบาทเรื่องบริขารของอาจารย์ให้พร้อมนะอาจารย์ไปก็นะถวายสบงถวายอะไรให้นุ่งเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ล้างบาทถวายท่าน ถือบาตรถ้าจะเดินตามอาจารย์ถ้าไม่ไปบินสายเดียวกับอาจารย์ต้องบอกลาอาจารย์ว่าผมขอไปบินทบาทต้องไปกราบลาอาจารย์ว่าผมจะไปบินทบาทานะเสร็จแล้วถ้าหากว่าข้อวัดหลังจากนั้นตั้งแต่ตั้งน้ำฉันน้ำชายดูแลทุกอย่างเลยนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นถ้าส่งน้ำเข้าโรงไฟจะมีข้อวัดทั้งหมดแล้วนะถ้าถ้าอาจารย์ป่วยต้องดูแลยังไงยังไง ถ้าจีวอนของอาจารย์จะต้องซักเนี่ยต้องทํำยังไงนะจีวรต้องซักต้องยอมที่อยู่อาศัยรกเนี่ยจะต้องเข้าไปดูแลปร ะ, ปร ะ, ประพฤติอย่างไรก็คือเข้าไปเป็นคนรับใช้ทุกอย่า ง, งมันกันเลยสรุปสรุป <haus> นะนะรับใช้ทุกอย่างแต่จะมีวินัยบอกหมดส่วนไหนถ้าไม่เอื้อเฟื้อเป็นอบัติเป็นอ ბ ัตทุกๆกกดทุทกๆุครั้งที่ไม่เอื้อเฟื้อไม่ตัง้งไม่คิดจะทําเนี่ยนะเอะไปก่อนนะไม่เอื้อเฟื้อเป็นอบัตทุกครั้งเลยมันก็จะมีวินัยให้ทําอย่างเงี้ย แต่ทีนี้ถ้าหากว่าลูกศิษย์ป่วยปั๊บอาจารย์เนี่ยจะทํากลับทันทีเลยอันนะก็จะมาประพฤติแบบที่ลูกศิษย์ประพฤติกับอาจารย์นั่นแหละถ้าลูกศิษย์ป่วยนนเะสร็จแล้วอาจารย์ก็จะสอนนะในช่วงที่อยู่ด้วยกันนะสอนทั้งอุเทศปริ ป, รปรุชาก็คือสอนคมภีต่างต่างให้ลูกศิษย์ไปนนะแต่ว่าภาพสมัยนี้มันก็หาดูยาก น, นะที่ที่ที่ว่าเป็นในลักษณะนั้นคือคุณสมบัติของครูอาจารย์ตามนั้นจริงๆอะ่ะหายากมาก เพราะว่าคนที่จะเป็นอาจารย์ให้นิสัยได้พรรษา10ได้ปาติโมกได้พรรษาสิปาติโมกแล้วก็มีองค์คุณสมบัติอื่นๆ อ, อ, อ, อีกที่จะให้นิสัยกับลูกศิษย์ได้แล้วก็คล้ายๆก็ว่าถ้าเขาไปอยู่กับอาจารย์อย่างเงี้ยเขาต้องเจริญจริงๆว่า ง, งั้ น, น, นแต่ก็พระสูตรก็ยังสอนแล้อยู่กับบุคคลได้แล้วผูศรไม่เจริญก็ให้ไปรู้กลางวันให้ไปกลางวันรูก้กลางคืนไหนไปกลางคืนก็ไปอนุวัตตามพระสูตร เพอย่าลืมว่าการรักษาศีลทั้งหมดเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรมันเรารักษาศีลลักษณะอันเดียวคือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงนะถ้าหากว่าต้องต้องจำไอ้ไอทิศทางอันนี้ไว้ให้ได้ว่าที่เรามาทําทั้งหมดเพื่อจะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเราบวชทําอะไรใช่ไหมจุดยืนเดิมทังตั้งแต่ก็เข้ามาในศาสนาก็ต้องทบทวนและทบทวนบทบาทว่าเราเข้ามาในศาสนา ม, มาทําอะไรนั่นนะประโยชน์ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไร นนะขนาดศีลดียังเป็นเหมือนกับฟืนเผาศพเลยนะถ้าคิดอกุศลน่ะถ้าศีลไม่ดีเนี่ยนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงโทษอนะนะแปลว่าความเศร้ามองของศีลเรียว่าโทษของความไม่มีศีนเนี่ยเราจะเรียนถึงข้างหน้านะถ้าศีลไม่ดีแล้วจะมีโทษอย่างไร <c oughs> แต่ว่าถ้ารักษาได้นะก็สบายใจเป็นอย่างมากอันนะกุศลจิตก็นับว่าเกิดง่ายเนี่ยนะเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ย ศีลก็เป็นพื้นฐานให้กุศลจิตเกิดแล้วนะถ้าไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรก็ยางน้อยกุศลศีลเนี่ยมารองรับก่อนเพราะจะไปคิดเรื่อยเปื่อยไม่ได้นะมันาทุกอย่างมันมีระบบให้คิดหมดมีท ร, ร ม, มีวินัยแต่ทีนี้กว่าจะศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามก็นับว่าเป็นอุปสรรคนะนั้นอุปสรรคในยุคนี้มันก็มีหลายระดับถ้าหากว่าเรามีศรัทธาว่าแนวทางตามพระไตรปดกถูกต้อง การที่จะทําให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เชื่อว่าถ้าเรามีศรัทธาจริงๆทําได้นะของมาเชื่ออย่างถ้ามีศรัทธาจริงๆทําได้นะแต่ก็อย่างว่ามันทุกอย่างในโลกเนี่ยวันเมื่อวานก่อนวันเมื่อวานนะกลับจากโลงโบวสดทุกการเขาพูดถึงเรื่องไอ้เสียสละเนี่ยนะเขบอกว่าทุกอย่างมันก็ต้องได้มาด้วยการเสียสละทั้งนั้นนะมันจะได้อย่างเสียอย่างธรรมดากติกาของโลกมันเป็นอย่างนั้นว่างถ้าจะเอาอย่างหนึ่งมันก็ต้องเสีย อ, อีกอย่างหนึ่งอยู่แล้ว น, นะผู้ ก, การก็เล่าถึงว่าเออถ้าจะเจริญองอกงามในหน้าที่มันก็ต้องเสียสละเป็นบางอย่างถึงจะทําได้พระพิสูจน์เหมือนกันถ้าบวชขึ้นมาแล้วมันก็ต้องรู้จักเสียสละเนี่ยนะถามว่าสละอะไรบ้าง อ, อย่างน้อยที่สุดก็สละเพศก่อนเลยใช่ไหมทรงผมก็ไม่เหมือนใครแล้วมันก็เริม่มเปลี่ยนทั้งภาคกิริยาอาการเป็นต้นที่เมื่อก่อนสบายกินเที่ยวยังไงก็ได้ทีนี้ก็เริ่มมาเปลี่ยนใหม่หมดเลยเป็นชีวิตที่มีวินัยเนี่ยนะ ชีวิตที่มีวินัยนั้นวินัยคืออะไรอะใช่ไหมวินัยแปลว่ากาจัดกาจัดบาปอกุศลอันวินัยมีสองอย่างสังวรวินัยกับปหานวินัยเป็นชีวิตที่มันมีสังวรวินัยปหานวินัยสังวรมีห้าปหาณมีห้าก็ต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นไปอนถ้าหากว่าถามว่าทาไมจึงบวชอันน ก็บอกว่าเห็นโทษของชาติชราพยาธิว่า ง, งั้นแต่เราทั้งหลายเป็นผู้มีชาติอย่างแล้วมีชราอย่างลงแล้วมีมรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมานัสอุปายาตเป็นเบื้องหน้าแล้วแล้วก็ชีวิตที่เป็นไปลักษณะนี้พระตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์เบ้นต้นนะก็ไล่พุทธคุณแล้วมีศรัทธาที่จะประพฤติพรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคเชื่อว่า พรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคชำระให้เราพ้นจากไอาชาตชาราพยาธิมรณะโศกะบริเทวะทุกขโทมนัตได้จริงๆคือมีศรัทธาอย่างนั้นนะจึงเข้ามาทุ่มเทปฏิบัติตามนั้นไปแต่ถ้าไม่ศรัทธาอย่างนั้นที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ก็ทำให้ได้ยากก็ทาได้ยากเพราะว่าอย่าลืมว่าศีลทั้งหมดนั้นกำจัดอะไรกำจัดกามมาสุขหลิกานุโยค เพราะฉะนั้นไอความสุขที่สแสวงหาจากรูปเสียงกลิ่นรถโพธภาภะนั้นจึงไม่ได้ในเพศสมณะนะเป็นเพศที่ไม่ได้สแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรถโพธพภะและโพธภาะธภะเหล่านี้เลยแต่ให้หาความสุขจากเนคขมะนั่นนะพอได้แล้ว น, นะที่หนึ่งนะศีลโดยประเภทนับหนึ่งคือศีลละนะ นะการเอาอะไรมากาง อ, ก, ะนะอก็ไปได้หลักฐานมาแนละ้เกี่ยวกับเรื่องศีลเนี่ยครับท่านบอกว่าศีลเป็นวีติกมาพะหานสมาธิเป็นปริยุทธานะพะหานปัญญาเป็นอนุเสยาพะหานนะศีลเป็นตะทางขับพะหาน สมาธิเป็นวิคัมพนาประหารปัญญาเป็นสมุทเฉธปารประหารเปิดปรดดูในหน้าสิบเจ็ดนะของเราอะ่ะที่ผู้การพูดในในหน้าสิบเจ็ดเราพอเราเรียนไปแล้วในหน้าสิบเจ็ดนะกล่าวว่าการละกิเลสด้วยคามสามารถแห่งแต่ทาง่าประหารเป็นอันทรงประกาศไว้แล้วด้วยศีลใช่ไหม การละกิเลสด้วยสา ม, มารถวิ่งขำพระนปะหารเป็นอันทรงประกาศไว้แล้วด้วยสมาธิการละกิเลสด้วยสา ม, มารถแห่งสมุทเฉทปะหารเป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นศีนเน้นจะเป็นปฏิปัติต่อการละกิเลสประเภทวีติกะมะคือล่วงละเมิดออกมาทางกายและทางวาจาเพราะว่าพื้นฐานของศีลอย่าลืมนะฮีริโอตปะนั่นแหละเป็นเป็นเหตุใกล้ของเขา อันกิเลส ท, ที่จะละเมิดออกมาทางกายทางวาจาก็ไม่มีงนั้นอาการของคนที่มีศีลเราจะรู้ได้เพราะเขามีความสะอาดกายสะอาดวาจาเป็นต้นแล้วก็เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครมีศีลไม่มีศีลเคยได้ยินไหมพระเจ้าเปเนสนที่โกศลไปถามพระผู้มีพระภาคเออศีลเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าใครมีศีลไม่มีศีลก็บอกว่าศีลจะพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนา น, าน แล้วก็คนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้คนไม่มีปัญญาก็หารู้ไม่เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญารู้เรื่องศีลเป็นอย่างดีแล้วอยู่ด้วยกันนานๆจึงจะรู้ว่าใครมีศีลและไม่มีศีลเนี่ยนะเจริญพรแต่เขาเรียกว่าสังกิเลตศีลเนี่ยละสังกิเลสคือทุจริตสมาธิละสังกิเลสคือ ตันหาปัญญาละสังกิเลสคือเทติคเนี่ยคือที่เอามาจดไว้เป็นเรื่องเป็นราวนี้นะฮะก็เพราะว่าเห็นว่าเป็นการเป็นเป็นไตริกขาครับมันเป็นไตรสิกขาแล้วถ้าผู้ใดสอนไม่เป็นไปตามไตรชิกขานี่นะฮะอันเนี้ยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ที่น่าคิดทีเดียวนะคือไม่ได้เน้นในเรื่องของ สมาธินะฮะนี่นี่เกี่ยวเนื่องกันหมดเลยนี่ครับเจ้พะเจ๊ะไหมเกี <_ an> <rire> ่ยวเนื่องกันหมดนะไตรสิกขานี่ไม่ใช่ว่าโดดๆไปอยู่เพราะว่าไตรสิกขานี่เป็นพรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะันนะพรหมจรรย์อัน น, อ น, นี้เป็นการประพฤติอย่างประเสริฐถามว่าอนันิสงท์ของพรหมจรรย์นี่คืออะไรโนนะอระหัตผลเป็นเป็นอันอนสท้ทรงที่สูงสุดเนี่ยนะของของพรหมจรรย์อันนี้เพราะฉะนั้นพรหมจรรย์อันนี้ถ้าหากว่าบุคคลประพฤติได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ก็สามารถล่วงพ้นจาก วัาจทุกข์ถ้าพระพฤติพรหมจันทร์ได้บริบูรณ์ระดับแรกก็เป็นพระโสดาบันก็ปิดอบายได้เด็ดขาดแล้วนะถ้าหาว่าเป็นพระสกาทาคามีมาสู่โลกนี้โดยการปฏิสนธิแค่ครั้งเดียวถ้าเป็นพระนาคามีไม่ต้องมาเลยปรินิพานในพรหมโลกถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ดับขันปรินิพานเพราะฉะนั้นพรหมจันทร์นี้ไม่ได้มีตลอดทุกยุคทุกสมัยอะไรกว่าพระตถ า, าคตจะเกิดขึ้นในโลกแล้วมาบัญญัติไตรสิกขาเหล่านี้ ซึ่งเป็นทางที่พระองค์เนี่ยทรงบำเพ็ญแล้วพระองค์ก็แทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยะเป็นมัชฌิมาปฏิปทานะเป็นข้อปฏิบัติ้ายกลางนะเพราะว่าศีลก็กำจัดกามสุขาริการุโยคสมาธิก็กำจัดอัตตากิรมาานุโยกะตัวปัญญานี่ยแหละคือเป็นการเดิน้ายกลางอย่างจริงๆนะไม่พัวพันในกาม แล้วก็ไม่ทําตนให้ลําบากปัญญาก็เกิดขึ้นสามารถแยกแยะว่าอะไรเป็นอุเฉ ท, ทิฏฐิและอะไรเป็นศาสตทิฏฐิก็ปฏิบัติเพื่อเบือน่ายปฏิบัติเพื่อคลายกําหนัตเนี่ยนะเมื่อเบือหน่ายก็คลายกําหนัตเมื่อคลายกําหนัตก็หลุดพ้นแต่ว่าข้อปฏิบัติที่ทําให้เบือหน่ายคลายกําหนัตเนี่ยนะนึกถึงพระสูตรเมเกียใช่ไหมในนาวาสูตรเมื่อกียที่กล่าวถึง ได้รับการอบมาเป็นอย่างดีนะแม่ไก่ที่อบกกฟักเนี่ยนะ อ, องค์คุณสามอย่างเนี่ยทำให้ไข่เนี่ยสามารถเป็นลูกแล้วก็ฟักออกมาโดยสวัสดีอั้นข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเหล่านี้นะก็คืออาศัยสิกขาสามเหล่านี้เนะี่ยเป็นการอบเป็นการฟักจริงๆเนี่ยนะถ้าหากว่าออกจากอวิชชาได้แล้วเนี่ยวิชาเกิดขึ้นสามารถกําจัด อาสะวะทั้งหลายได้ชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วคันนี้เมื่อบริสุทธิ์ก็ไม่กลับไปหากิเลสที่ละได้แล้วถ้าบรรลุระดับพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะพระโสดาบันจะไม่กลับเวียนไปหา ส, สกายะทิฏฐิจะไม่เวียนไปหาวิจิกิจชาและศีลผ้าตาปรามมานเป็นการละกิเลสได้จริงๆถ้าพระสกท า, าคามีก็ทําราคะโทสะโมหะให้เบาบางพระนาคามีก็ละราคะโทสะ ได้เด็ดขาดนะราคาที่เป็นยินดีในรูปเสียงเนี่ยนะส่วนผ้ารหันก็กำจัดอาสวะกิเลสได้ทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็คนที่ปฏิบัติถึงความพ้นทุกเหล่านี้ก็มีเป็นตัวอย่างให้เราคือสังฆ ค, คุณไงสังฆ ค, คุณเนี่ยนะคือคือตัวแทนของคนที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าะนั้นคนที่ปฏิบัติตามคำสอนแล้วก็ท่านจะยกย่องในฐานะเป็น นาบุญของโลกเนี่ยนะเป็นตัวอย่างของของผู้คนหลังๆปฏิบัติ ด, ด้วยในส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งท่านเป็นนาบุญของโลกด้วยแล้วก็ยุคหลังจากที่พระผู้มีพระภาคปรินิพานไปแล้วท่านเหล่านั้นก็รักษาคำสอนไว้ด้วย